วันนี้จะเทศสัทธาให้ฟังอีกล้วนลาก่อนเทศนาถึงเรื่องศรัทธาเป็นพลังอันหนึ่งซึ่งจะเป็นเกจให้เกิดความหุดพ้นในเรียกว่าพลังพระละจเรียกพลังก็เรียกพรล ะ, ะ, ะห้า คือมีสิตาเป็นเบื้องต้นมียะเป็นที่สองสติเป็นที่สามสมาธิเป็นที่สี่ปัญญาเป็นที่ห้าท่านเรียกว่าพระหา้าหรืออินทรีห้าัวเรียกถ้าหากอินทรีนี่แก่กล้าสามารถที่จะ มันลูกมากผลได้ท่านว่ า, างั้นการที่กินชีแก่กล้าหรือศรัทธาพาระแก่กล้าเราจะต้องใส่เรานี้แหละทำไม่ใช่แก่กล้ามาแต่ก่อนแล้วเราจะไม่ทำเลยอันนั้นเป็นไสไม่ได้แก่กล้าแล้วมันต้องรีบเร่งขยันพั น, นเพียนประกอบประโยคพยายาม จึงจิตสาเร็จมาโกรธนิพพานตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นท่านบมเพ็ญบรุญรมีมามากมายถึงเกียรเรื่องขแสนกลับมีหน้าเป็นเศรษฐาพยากรแล้วยังไม่ได้รษฐาพยากรก็แต่ก็ต้องไขอีกทั้งถึงขนาดนั้นแล้วพระองค์ ก็ยังบำเพ็ญทุกข ก, กิริยาอยู่ถึงคนคั้นาสากรวดชีวิตสเร็จมาคนอิพานนักปราชญ์ได้พวกเราในรู้จักว่าบำเพ็ญมากี่มากน้อยหรือไม่ได้บำเพ็ญเลยก็ม่ก็ไม่ราแต่เข้าใจว่าคงจะบำเพ็ญมาแล้วทุกๆุกคนจึงค่อยมีศรัทธาเรื่มใส่จึงค่อยตั้งใจปฏิบัติ เมื่อเรื่องใส่ได้สัตยาตั้งใจและตั้งใจปฏิบัติแล้วจงรีบเล่นคำเขา่าเย็ดของเราไม่คอยทาการเวลาไม่คอยทาหมดไปหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งเราอยู่ไปก็เหมือนเงนกับว่าชีวิตมันขัดก็มันกัดกรอนกินไปทุกวัน หมดไปหมดไปทุกวันทุกวนอันนี้ก็เข้าบรรษามาในสามเดือนแล้วยังอีกไม่กี่วันเขาจะพรรษาแล้วนั่นก็หมดไปเท่าไรกันสามเดือนแล้ ว, ล ว, ดด ย, วยังอีกนิดเดียวพรรษาหนึ่งยังอีกนิดเดียวเท่านั้นย่งยังควรระลึกถึงชีวิตของตน เนี่ยแท่างสาวทั้งเรื่องศรัทธาคืออินทรีทั้ง5าก็เรียกศรัทธาในที่นั้นอินทรีที่ท่านท่านพูดว่าสามารถที่จะให้สังเ็จของคนนี้ผ่านได้แต่ศรัทธาในวันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสทีทวิตตังกุริสสะเสตัง ศรัทธาเป็นทรัพย์มรดกของบุรุษถน่างงั้นท่าไม่ไดเรียกว่าพลังแล้วไม่เรียกอิจฉาแค่การเรียกกันนั่นแหละเปลี่ยนคาพูดเฉยๆนี่แหละศรัทธาหนึ่งภาษาท่าหนึ่งเราเรียกควบคู่กันไปเรียกว่าศรัทธาปาษาท่าความเมื่อมใส ความเชื่อความเรื่องใสแต่ว่ามีแต่ศรัทธาตีภาษาธาตัวมีมีภาษาธาตุมีศรัทธาส่วนมีศรัทธาความเชื่อมันกล่าวไปเรื่องจิตใจว่าเราทําสิ่งนี้ถูกต้องแล้วทำเช่นนี้เป็นไปเพื่ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ทําอันนี้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น ความเชื่อมันในใจของตัวนั้นเรียกว่าศรัทธาภาษาท่านั้นกล่าวถึงเรื่องวัตถุสิ้ของอย่างเห็นพุทธรูปเห็นเจดีย์เกิดเรื่องใส่หรือเห็นพระพิสุที่มีศีลธรรมมีสัมมาจารวัต เกิดเกิดเลื่อมใสอั้นเนี่ยก็ว่าสาทะแต่ว่าไม่เกิดสรัทาอย่างว่าเห็นพระพุทธรูปนี่แหละหรือเห็นเจดีย์นี่เกิดเกิดเลื่อมใสเฉยเฉยแต่ศรัทธาไม่เกิดศรัทธานั้นหมายความเป็นคนเชื่อมันในใจของตน การที่เรากดน้ำผิวบูชาจะเป็นไปสุดคุณประกุสันต์ยิ่งใหญ่ไพศาลในการสมะบูรณะฐานยิ่งใหญ่นั่นเป็นนามธรรมคนเชื่อมันศรัทธานนี่ท่านกล่าวหลายอย่างหลายเรื่องท่านกล่าวจนเรื่องศทธาจะได้ตรีโอตรีโอขัง จะข้ามพ้นมหารบทของสารในก็เพระศรัทธาคำว่นั้นมีหลายเรื่องหลายอย่างที่กล่าวถึงเรื่องศรัทธาแต่ภาษาท่านไม่ได้กล่าวถึงหลายเรื่องคือเป็นวัตถุเฉพาะสิ่งที่เลื่อมใสเหตุนั้นศรัทธาในที่นี้ที่จะพูดนี่คือ เป็นของภายในมีเฉพาะจิตใจของตนทุกๆคนถ้าหากว่าไปจำอยู่ในใจของตนแล้วควมเชื่อมันใน ใ, นใจของตนแล้วถ้าไม่ได้กล่าวถึงเรื่องวิริยะต่อไปแต่ว่าศรัทธามีแล้ววิริยะมันก็ไปด้ยวยกันอย่างเราเชื่อมันในสิ่งของต่าง เช่นเราเชื่อมั่นว่าขุดน้ำบ่อที่นี่จะต้องเกิดจะต้องมีน้ำแน่นอนก็ต้องขุดโไปการขุดดังเดียวกว่าวิทยาความเพียรขุด จ, จนถึงน้ำถึงไม่ถึงก็มันลึกเท่าไรก็ยอมนรรั่นละวิญญมันเป็นไปในตัวศรัทธาเชื่อมั่นว่าหาเงินอย่างนี้แหลมันจะได้มันจะรุ่งจะรวย มขาจะมีเขาตั้งใจพยายามหาเช่นเขาซื้อบัตรซื้อเบอร์ซื้อมาจนมัดล้วก็เชื่อจะได้ล้าไปมันควรเชื่ออย่างนั้นน่ะพยายามหางนนะทองมาซื้อนะ่ะเพราะนั้นเป็นวิริยาอันนี้นควมเชื่อภายในแต่ก็ควรเชื่อนี่อีกแหละที่จะให้เหลวไหล คิดลูกทางคิดนอกจากลูกทางไปกว่าศรัทธานี่แหละเชื่องมมายเชื่อในสิ่งที่ใช้ไล่เหตุไล่ผลอย่างเขาพูดกันว่าเวลานี้เรามีกรรมมีเคราะมีกรรมทำยังไงมันจะหายไปหาหมอสะดอเคราะห์มหาไิเคราสะดอเคราะ พาดา้อขอมันจะหายยังไงมันเจ้าของมีข้ออยู่แล้วถ้ามันก็เชื่อมอ ง, งายเป็นเน่ยถ้าพูดใเจ้าจะว่ากรรมที่คนทํามาแล้วความชั่วที่ตนทํามาแล้วทํำยังไงมันก็ไม่หายต้องจิตตัวอยู่ำไปกลัวจะหมดกรรมมือเปลนแต่ว่าทําดีนั่นเป็นคนอย่างกับกรรมชั่วอย่างเรา เห็นว่าทุกย่างลำบากกกรรมอย่างนี้แหละรุตษาพยายามรักษาฉินรุตษาพยายามทำ บ, บุญําทานรุษาพยายามในทำสมาธิภาวนาเราสร้างความดีต่อไปควาชั่วเราไม่จะไม่ทําอีกต่อไปละอันนั้นเป็นการตัดกรรมตัดเบนโดยเฉพาะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในนะวกรรมที่ทําแล้ว อันนี้ว่ากรรมนัตเจกาสมัธายาธาคนทํากรรมไดแล้วต้องได้รับกรรมนั้นแน่นอนคนอื่นรับให้ไม่ได้ก็ดีเหมือนกันเป็นเครื่องปลอบใจในการที่สะดอเพราะสะดอกรรมนึกตักกรรตะเลงก็เป็นเครื่องปลอบใจให้สบายสักหน่อยแต่ไม่หายแล้วนี่แหละ ไม่มีสติข้อไม่มีสติไม่มีปัญญาจึงเป็นเหตุให้นับถือแล้วไหลไปโดยประการต่างๆถ้ามีสติมันต้องมีปัญญารอบคอบสิ่งที่พูดนะั้นสิ่งที่เขาพูดนะั้นมีเหตุมีผลอะไรจะสมจริงหรือไม่มันต้องมีปัญญา ในพระหาหรือยนินทรหาที่ว่านั้นมีศรัทธาและมีมิระยะและก็มีสติสมสาธิปัญญาเข้าไปในตัวจึงสามารถให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในตอนนั้นแต่ว่าศรัทธาในที่นี้นั้นที่ว่าสตีทวิตตังกุลิษสตาเษตัง ศรัทธาเป็นพักอัระเสริของบุรุษคำว่าบุรุษในที่นี้หมายความทังไม่ใช่แต่ผู้ชายผู้หญิงก็เรียกบุรุษผู้ที่มีศรัทธาปัญญาแก่กล้าเรียกว่าบรุษทั้งหมดผู้หญิงก็เรียกบุรุษเหมือนกันศรัทธาเป็นของฝังอยู่ในใจ ทุกๆคนถ้ามีศรัทธาแล้วทำอะไรร่วมๆไปได้หรอกอันนั้ น, นอะไรจะมาเป็นเป็นซักมากรเสริของคนเราทุกคนทํำอะไรก็ทำเถิดต้องมีศรัทาเชื่อมันในใจสุดๆนั้นแหละแต่ว่าควบเชื่อนั่นเน่ะต้องประกอบด้วยสติสมาธิอีกอันนีงจะเป็นผลสําเร็จแต่คนเชื่อในเรื่องของมีจริง เป็นของเชื่อเนะี่ยเป็นของมีประจําตัวอยู่แล้วเป็นชัพย์บางปรเสริฐประจําตัวอยู่แล้วที่จะมีสติมีสมาธิแน่วแน่ในใจซึ่งมีปัญญาหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งใจเรื่องนันจะสําเร็จเมืงอผลไอจะสําเร็จคงป่าสนามต่อเลยไม่สําเร็จไหมเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก แต่ศรัทธาตัวนี้เป็นของมีประจำในใจทุกคนไปไหนไปไหนก็มีศรัทธาฝังในใจนะั้นอย่างเราจะเดินจะเหินจะไปมาที่ไหนนี่เราเชื่อมันหรอมันจะต้องถูกถึงจุดประสงค์แน่นอนแล้วก็ตั้งมุ่งมุ่งหน้าปรารถนาที่จะถึงนั้นยังค่อยมันยังค่อยไปได้ถ้าไม่เชื่อนี คนสามารถของตนนะก็ไปในถึงเมือกันปัญญายักรีสุดสติส่วนปัญญานั้นอีกอย่างหนึ่งต่างหาแต่บริสุทธิ์ได้ก็พระปัญญาต้องอาร์ตใสสัทธาใช่ก่อนตงยังค่อยเกิดปัญญาขึ้นให้เกิดปัญญาขึ้นเรายังค่อยพิจารณาเหตุผลเรื่องราว อันนี้คืบริสุทธิ์ได้พวกเรามีศรัทธาอยู่แล้วองใช้ศรัทธาให้นเป็นใช้ศรัทธาให้มัน้มันถูกต้องถ้ามันกหลงเหลวเหลวไหลว่ดอย่าบางคนที่มีศรัทธาเต็มที่ทำการทำงานในทั้งสัจธรรมแต่มม่รูจักที่ได้ ไม่ได้คิดะได้เสียเสียทำไม่อยู่านั้นอ่ผะผู้เกิดเห็ุนั้ทั่วไปที่อยู่บ้านที่เรืองของเราก็ทั่วไป น, นั่นแหะศรัทธาศรัทธามากเกินไปผู้ที่ทำในน้อยแต่ว่ามีคนมรู้รอบครอบรอบตัวมีสติมีสมาธิในตัวมีปัญญาในตัวคือว่าพิจารณาเหตุผลของเรื่งองเหล่านั้น ความสมาธิสมควนเนี่ยในสังเดชผสมเมื่ยในสังเดจตามสัพปาธนามีพูดถึงเรื่องศรัทธาก็เขียนแค่นี้ฝันนข้าวนี้มาพูดถึงเรื่องปฏิบัติของเราที่เฉพาะโดยเฉพาะนั้นพูดทั่วไป เรียกว่าศรัทธาที่ทั่วไปคราวนี้ศรัทธาเฉพาะเราปฏิบัติถ้าหาก็ไม่มีความเชื่อมั่นแน่ในข้อนาของตนมันก็เลอะเหลวเหมือนกันทำไ้ก็พระเว่าทำถ้าหากตั้งใจเชื่อมั่นว่าภาวานาอย่างนี้นี่แหละอันนี้แหละถูกทางเป็นทางของพระพุทธเจ้า สั่งสอนไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านดำเนินอย่างนี้ท่านยังสอนพวกเราอย่างนี้คือให้คิดเจรมาถึงเรื่องใจใจนี่เป็นของสําคัญที่สุดนุดของเราต้องมีใจทุกคนถ้าไม่มีใจก็อยู่ไปไหนต้องคือคนตายที่จะดีจะทำดีทำชั่วก็เพราะใจให้เชื่อมั่นว่าใจนี่แหละเป็นตัวกาัา เนเ้าจะต้องศาสให้มันอยู่คลิกจิตศาสจิตให้มันอยู่ไม่เคยอธิบายแล้วว่าจิตกับใจมันคนละอันกันจิตเป็นคนคิดคนนึกคนสงสยัยสัญญาอารมณ์น้่พวงมดอยู่ที่จิตอย่า ง, งนะ น, นัะนงนั้นแหละทใจในงังคู้นิ่งเฉยอยู่คนเดียวนิ่งเฉยไม่มีอะไรหรอก จิตนี่เป็นของสำคัญมันจะต้องชาระสร้างารถ้ามันเด็ดขาเดเยวนี่เราตามจิตไม่ใช่เราบังคับจิตมันคิดมันรงหมันสายแรื่งต่างๆกลัวจะรู้ตัวโอ้ยเยอแยะแล้วถ้าหากเราบังคับจิตได้ถ้ามันอยู่ในขอบขิดในบังคับของ ความคิดนอกเหนือจากความคิดในจากสติไม่ได้คือสติต้องเปควบคุมสติเป็นควบคุมจิตเหมือนกับเขาเลี้ยงัวในทุ่งหญ้าเขามีล้อในต้องมีลวดล้อมรอบไว้ไม่มมไมให้มันน็อดไปได้หรือไม่ฉะนั้นกเอาเชือกผูกไปหรือม่ฉะนั้ น, นเขาเถ้าจะหลายตัวก็ต้อง ย อ, อยู่ต้นไม้สูงเหนือฝุ่งงวงมันนั้นหายเก่งจะมองดูทุกตัวตัวไหนสีแกงมู่เข้าป่ากเขาลกก็ต้องเิดนท่านท่าหาก็ไม่เห็นตัวมันแล้วอันที่มันตีเข้าปากเขาลกมันเวลาไล่กลาบางตัหายตัวนั้นหายไปแล้วชั้นใดจิตของเราถ้าหากว่า สติตรง น, นคุมไม่อยู่มันหายไปเลยก็ไม่ทราบมันยังหายหลายตัวบทหัวในอีกซ้ำจจะไม่มีตัวจะไม่มีสักตัวเลยสบายก็บบได้เหตุนั้นจึงให้สติตัวนี้แหละคุมจิตจิตนั้นจริงวะอยู่ที่อจะอยู่ได้ก็เพราะสติ เราเชื่อมาอย่างนี้ว่าจิตเนี่ยเป็นของสาคัญที่สุดเราจะต้องรักษาตัวให้แข็งแรงที่สุดถ้าหากเรารักษาจิตตัวนั้นได้แล้วมันจะเข้าอาเปิดใจมันจะมานิ่งเฉยอยู่คนเดียวของมันจิตกับใจตังเดียววันนั้นน่นที่จริงแต่มันมีอาการต่างกันจิตคือผู้คิดผุ้นึกใจคือผู้นิ่งเฉย หากว่าควบคุมจิตได้แล้วมันจะเข้ามารวมมาเป็นใจ้ถาถาตัวนี้คงเชื่อตัวนี้แหละให้แน่วแน่เต็มที่ทำธรรม ท, รมที่ภาวนาอาจจะสำเร็จความประสงค์ของเราท่อก็ได้ขอให้เชื่อนั่นเถอะถ้าหาทกทำถ้าได้ว่าทำความเชื่อไม่เพียงพอก็ อ, อาจจะเหล้ยวไหลไปได้ นอกจากเลี้ยวหลายอรอย่างนี้เสียเวลาเราทําสมาธิภาวานามาแตงมานานหรือถ้าทําในขนาดนี้ก็ตามเถอะชิบห้านาทียี่สิบสามสิบนาทีก็เสียเวลาหรือเปล่าในนันแล้วก็ตั้งใจจะทําสมาธิน่ะตรงตรงใต้ตั้งใจเชื่อลงไปว่าเราทําอันนี้แหละทําสมาธินี่แหละ เอาเป็นของดีกีทำดีต้องได้ดีให้ผลคนดีให้ผลคือความดีของเราจะทำยังไงทำสมาธิเบื้องต้นต้องกำหนดใจเอาที่ใจเท่านันไว้ตัวกลางนั่นะตัวกลางกลานั่นที่เป็นไม่มีอดีตอนาคตนั่นแหละตัวใจตท่นั้นแ่ะเอาคุดทอไว้ตรงนั้นทีเดียว จิตมันมีตนมีตัวจะต้องเอาพุโทโธมาไว้ให้เป็นอารมณ์ให้เป็นเครื่องอยู่เอาพุโทโธพุธโทโธนึกใไปตรงนั้นแหะถ้าหากว่าเห็นเป้าหมายตรงนั้นแล้วมันนี้ก็เห็นเมื่อมันไม่อยู่ในพุโทโธก็เห็นว่าจิตของเราไม่อยู่ในพุโทโธดึงเข้ามาให้อยู่ในพุโทโธนะ้น ทำใอยู่ในพุโทโธแล้วคะ่ะนี่แน่วแน่เต็มที่แหละคร่ะนี่คือว่าแน่วแน่แนั่นคือหมายความว่าไม่คิดไม่สงสายเฉพาะในพุโทโธอันเดียวตั้งมันในพุโทโธอันเดียวถ้าเช่นั้นแล้วมันจะลืมคาพุโทโธจะหายจะวางไปเองวางไว้ก็ช่างมันจะไปวิโต ว, วิจารณ์เราได้จิตแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเอาพุโทโธ จากาตัวจีต่างค่านี่ตัวมันตัวมันวางไว้แล้วมันเฉย อ, อยู่แล้วหรือหากระมันไม่วางถ้าหามันเฉยมันนิ่งเฉย อ, อยู่แล้วไม่ต้องกําหนดก็ดโทรอีกต่อไปให้กำหนดเอาผู้นิ่งเฉย อ, อยู่แล้วเนี่ยมันนิ่งจริงไหมมันเข้ามาภายในแล้วค่านี่มันอยู่จเฉ้าะภายในไม่ส่งออกไปนอกแล้ว มันอยู่จริงไหมมันนิ่งจริงไหมมันยังมีอยู่ในนั้นแหะมันถ้าส่งสายนิดนิดแต่นอยมันคิดนึกคุ้มแต่นิด Spencer. นิดแต่น่อยอยู่มันอยู่ในคิดอันเนล้แต่มันส่งไม่ส่งออกไปนอกไฟภายนอกนั่นอ่ะมันจะเกิดสัญญามันไม่เกิดวิชาของโลกมันเกิดจากนั้นแหละอ้าวทำสมาี่ภาวนาต่อ มาสงบในอันเดียวแล้วเอาสติอันนี้คุมใจให้อยู่คุปจิตให้อยู่คุมจิตอยู่แลาเไม่ไเข้ากับเป็นใจจิตอันหนึ่งใจอนันหนึ่งผูคิดเผู้นึกผู้ปรุมผู้แต่งนั่นเรียกว่าจิตสติก็ควบคุมคือรู้ตัวอยู่นั่นเรียกว่าสติ เห็นอยู่รู้อยู่เนื่องจิตมันต้องคิดต้องนึกต้องปรุงองแต่งธรรมดาแต่เราอย่าไปคิดเป น, นึกไปปรุงไแต่งคือมันเอาเอาตัวสมองมันมันของละเอียดมากมาหมายถึงว่าจิตจิตมนของละเอียดมากคือแบบต่อเมื่อใดรู้เท่ารู้ทันมันเสร็จแล้ว มันจึงจะรวมเข้าไปเป็นใจไม่มีราคานี่สงสัยเที่ยงมืดเลยให้อยู่วนจะก่อนอทำสมาธิต่ออธิบายทงเรื่องมันดิตกับบรรทัศนในฟังรู้เรื่องรู้หน้ารู้ตามแล้วคั อนตะพานมันเป็นยังไงบัณฑิตเป็นมันยังไงมันอยู่ที่ไหนพอรู้ตัวได้แล้วมีแต่วิธีเราจะกําจัดประทันอนตะพานกาจัดเพ่ให้มันอยู่ในตัวของเรามีวิธีหลายอย่างที่จะกําจัดอนตะพาน อยากเต้นเตือนอยากให้ทำกันเตตือ น, นการทําฐานรักษาศีลวันนี้แหละเป็นไปเพื่อให้มันเรียบร้อยเพื่อใหมันสงบเฉื่อยเรียบร้อยกันไปการพัดสมาธิภาวนาก็เป็นเหตุตั้งใจเราผ่านใดเหมือนกันจงกระทั่งทําใจให้สงบนิ่งแน เห็นตัวจริงมนทีเดียวครัจิต ท, ที่มันนิ่งอยู่นั่นหละมันจะเห็นอาการของอัตภานมันคิดดีคิดชั่ชวเห็นเลยถ้าจิตของเราตั้งตัวเป็นกลางแล้วเห็นชัดพระจิตเราไม่ตั้งตัวเป็นกลางมันได้ค่อยเอ็นเอียงไปไหน ั้งในที่ต่างๆคือมันเอียงๆไปตามมรทัพฐานไปเอียงๆ ไ, ไปในบันดิต์ไปแต่ไม่รู้ตัวของมันได้หรอกถ้าเราตั้งตัวเป็นกลางไว้ไล้เห็นชัดเลยมันคิดชั่วรู้จักกผสมชั่วเกิดขึ้นมาแล้วก็กำจัดมันออกไปวิธีกาจัด ก, ก็คือเห็นโทษมัน ขอละทิ้งเนี่ยได้เห็นเป็นคุณโทษที่มันเกิดในคิดชั่วทำชั่วมันคิดชั่วแล้วมันก็ทำชั่วเนี้ยก็ทำให้เดือดร้อนเข็ตัวของเราเนี่ยในโทษของมันเมื่อเราไม่คิดชั่ว จิตของเราจะสบายเป็นกลางไม่ทันชั่วใจของเราก็เป็นกลางเราพ้นจากโทษตัวนั้นตัวกลางนั่นะทั้งของไม่มีโทษอัตธรรมสมาธเมันนิ่งเนี่ยอยู่เป็นกลางเด็กก็จมีโทษของ โกหกขางฉันมากมายหลายอย่างแต่ เ, เกิดมาคิดดูยวสิใจเราเป็นกลางสักทีไหมเราบางคนไม่เคยรู้จักจิตเป็นกลางเลยจิตจะเป็นกลางอนี้มันตามสนับสนุนอันดัผ่านมันส่งเสริมันดัผ่านจะไม่รู้จักก็เราส่งเสริม จิตนันเป็นกลางมันมีมากมายโทษของมันหลายอย่างเห็นอหมการที่จิตเป็นกลางนี่ดีนัเคือไม่เอ็นเอียงไปทางโนดนทางนี้ความเป็นกลางเป็นผู้ใหญ่จิตเป็นผู้ใหญ่จิตตั้งเป็นตั้งตัวเป็นกลาง มี่รักฐานมันคงเด็กๆเด็กน้อยมันจะเกิดทะเลาะวิว่ากันแล้วก็เห็นเรื่องของเด็กน้อยเห็นเรื่องของมันมดมันทำชัว่วทำผิดหรือทำดีโดยประกาตทางการกล้เลคียงกันเราเป็นผู้ใหญ่สามารถห้ามปรมาบป้องกันมันได้ จะทำกินให้เป็นกลางตรงนี้แล้ที่จะทำให้เป็นกลางไรคือทาไงอธิบายให้ฟังว่าคือก้านลมหายใจจะพักหนึ่งก้านลมหายใจเท่านั้นพักเดียวเท่านั้น่นนนไม่เอามามางไม่ดอกคือลมหายใจแล้วมันอยู่นานไม่ได้หน่อยมันก็ระบายออกมาในขณะที่ก้านลมหายใจนั้น มองดูภายในมันไม่คิดมันไม่นึกมันไม่ปรุงไม่แต่งมันตั้งตัวเป็นกลางอยู่นั่นเนี่ยเฉยๆแต่รู้จักว่าเฉยรู้จัก็เป็นกลางนั่นแะตัวกลางแต่ตัวกลางนั่น ถ้าไม่ดูตัวใหญเลย